ขนเจริญพรท่านอุบาศกอุบาสิการทั้งหลายผู้ใครทำทุกๆ ท, ท่านที่ท่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งกุลบุตรที่ดาเล็กใหญ่จุดมุ่งหมายที่มาเนี่ยขอให้โปรดตั้งใจฟังตั้งใจมาสร้างความดีต้องการมาบำเพ็ญกุศลเอาบุญมาใส่ใจพวกเราให้มาก ตัดปริพเทวกังวลทางบ้านตัดบาปในใจถ้าท่านยังมีบาปในใจแล้วท่านหมดโอกาสเท่าที่มาเนี่ยเห็นกฎแห่งกรรมแล้วบางท่านก็ไม่เอาไหนบางท่านก็มาสร้างกรรมเพิ่มขึ้นบางท่านก็สแสวงบุญบางท่านก็ได้คุณประโยชน์บางท่านมีแต่โทษไม่หมดโทษไม่หมดภยัยท่านจะมีอันใดแล่าที่จะแก้กรรมของท่านได้ ขอท่านตั้งใจฟังบางท่านท่านจะรูไ้ไหมเคราะหหามยามนายของท่านมีอยู่บ้างก็ไม่ทราบบางทีก็มาสร้างบุญแต่ได้บาปมาทำบุญแต่ก็ไม่ละ บ, บาปมาสร้างความดีก็ไม่ละความชั่วตรงนี้หน้าพิจารณาตัวเองเราท่านทั้งหลายเอ่ย ที่เรามาสร้างบุญกุศลที่เกิดมาในสัมปริยภพมาปาลารกบุญกุศลของท่านที่เรามาเนี่ยต้องการสร้างบุญให้กับจิตใจจิตใจเป็นบุญก็คือความสุขทั้งหลายพี่นองที่รับต้องการมีความสุขไหมหรือต้องกลับไปต้องมีทุกข์เดืดอดร้อนเป็นนีิสินกันไม่พักอย่าลืมว่าโดนโกงนั่นก็อย่าไปคิดพิจารณา อย่างอื่นเราก็สร้างเวรสร้างกรรมหลายช่อร้อยหลายชาติหลายกลับเลยกันมาแล้วน่าจะพิจารณาตรงนั้นถ้าท่านมาเอาบุญจริงๆนะท่านจะลึกชาติได้ท่านไม่วุ่นวายท่านจะไม่คุยกันสองท่านจะลุ้มลึกถึงบุพการีของท่านได้ท่านมานั่งกรรมฐ า, านชั้งเด็กเล็กเด็กแดงถ้าทําได้จริงใช้ข้าวปอนน้านมแม่ได้ถ้าทําจริง นี่เดี๋เป็นทุกสิ่งกระตันยูตวิติตารมที่ท่านมาบวชบวชกายทําจิตใจเข้าถึงพระมีพระประจําจิตประจําใจท่านแล้วท่านจะประเสริฐท่านจะมีแต่ความสุขมันไม่มีความทุกข์แต่ประการใดแต่เราอย่ามาหาความทุกข์เพิ่มขึ้นเลยกลับไปท่านจะมีเวรมีกรรมไม่ใช่ว่าม า, ม า, มาทําได้ทุกคนนะเห็นหนอมันจะบอกไว้ชัดคนนี้มีบาปบอกไว้แหละ คนนี้มีบุญวาสนาเหลือเกินที่จะต้องสร้างบุญกุศลต่อไปบางคนก็ไม่เอาหน้ามันบอกที่เหอะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ไปคิดเป็นความที่ต้องพิจารณาตัวเองแต่ที่เรามาเนี่ยธามายนินีตอนหลับทุกคนอยากให้ท่านเป็นบุญเป็นวาสนาตองการให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกๆคนไม่ตองการที่ให้ท่านมีทุก ตองการให้ท่านมีความสะดวกสบายปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินท่านจะไม่ชอบนะท่านตองการเดื อ, อดร้อนมีที่พึ่งทางใจไหมไม่มีเลยเนะอาจจะหมดโอกาสอันดีงามของท่านไปอาจจะเป็นหนุ่มสาวอย่างไรก็ตามมันก็ต้องตายนี่มาคืนก็ตายดีสามศพคือสามนาเขาขาวตายแล้วไม่จําต้องแก่ตายท่านอย่าประมาทนะ คิดว่าเรามาสร้างบุญกุอนขอให้เอาจริงๆทุกสิ่งได้ผลการนั่งกรรมาฐานเพื่อมึชชาตในเขตกขุการงท่านละรู้กฎแห่งกรรมไหยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้อย่ามาเถียงไม่ได้เพราะท่านมาได้สร้างความรู้อันนี้ท่านมาได้มีบุญจะสร้างบุญอันนี้ไหนเลยเล่าท่านจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมของท่านที่ทําไว้ปวดหนอก็ทำไม่ได้เลิกหนอแหละท่านจะรู้กฎแห่งกรรมไหม ร้อยละหนึ่งก็เอาละก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะถ้าท่านตั้งใจทำที่อาจจะมาชี้แจงแสดงแล้วรับรองได้ผลน่นเนี่ย่านจะได้รู้ว่าลูกท่านมีกี่คนจะต้องเรียนอะไรจะต้องส่งไปที่ไหนมันจะบอกด้วยคือสติสัมปชัญญะถ้าทำไม่ได้เข้าไม่ถึงไม่ชืงใจไหนเลยจะสอบไม่ผ่านแล้วท่านจะได้ผลงานชีวิต ท, ท่านประกันได้หมดโอกาสเธหรือ พี่น้องที่รักเราเป็นอุมาศกเป็นอุบศกาม่จำบวชชีพรามตามวัดตามสลาวัดอย่างนี้ตามาถือว่าเข้ามาบวชในบวรรัพุทสศาชนะยึดรัตนาไกลไปที่พึ่งของท่านแล้วมีครบที่สอนก็มีศีลธรรมาทิปัญญาครบแล้วแต่ท่านไม่มีศีลเพราะท่านขาดสติกาหนดมาคุยกันคุยกับเสียนเอกเจงดงังท่านจะบาป ท่านจะไม่มีสิลท่านจะขาดสวยจิตใจไม่งามร่างกายไม่สวยท่านจะกลับไปรวยได้อย่างไรโจทยมุ่งหมายอันนี้ไม่มีใครคิดขอฝากไว้แต่ท่านมีลูกมีหลานอุชาสอนให้ดียายส่งบุรีได้ไหมนี่บางแม่ก็ชงเสริมบางทีไปสอนเขากรับเครื่องไปสอนลูกเขาให้ดีพ่อแม่กรับเครื่องราคายเครื่องแพงแสนจะคิดท่านทำไมสามารถจะแผลงฤทธิกายเพศเป็นเศรษฐีได้ แามาถึงว่าลคกลัวต้องผูกสิลากลูกต้องตีด้วยแบบอย่างแบบอย่างของเราไม่ดีผ่าไปให้ลูกได้ขอฝากท่านคิดงานในชานะเธเป็นพ่อแม่ครับเลี้ยงลูกให้มั น, มนดีเลี้ยงลูกไม่ปลูกต้นทอสิมาใหญ่มาโตจะได้ไว้อาศัยถึงคราวเจ็บจะได้ฝากไข้คราวตาจะได้ฝากผีดีๆไว้รับใช้สอยไม่ได้เข้าหลักนี้ใช่ไม่ได้ เลี้ยงลูกโตมันต้นตานไม่มีหลักฐานนะหนมสาวยังไม่มีมารยาทเลยบางทีเดินจะเหยียบผัวคนเฒ่าคนแก่เสียใจยถ้าคนมีศินจะมีสติเรียบร้อยสัมปชัญญะเรียบร้อยจะเดินเหินจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลีขวาสวยน่ารักนี่คือศินไม่จําต้องกล่าวเล่ากว่าพระสินเนี่ยคือคุณสมบัติของมนุษย์ถ้ากายความปกติขาาต่าวสติสัมปชัญญะแล้วท่านจะมีสินได้ไหม แต่จะมีคุณสมบัติมนุษย์ไหมนี่หรือท่านจะไปสวรรค์ไปดิพานไปบวชชีพราหม์ตามวัดต่างๆไปที่น่าหินงใจมากตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องที่รักแล้วจะจากวัดไปคือกำหนดกรรมาฐานได้เราก็จะรู้ว่ากรรมฐานคืออะไรก็ ค, คือสินนามาที่ปัญญานี่เองแต่เราแปลไม่ออกบอกไม่ได้จะเอาตับุญดพึกใช้บุญช่วยใช้บุญช่วยเสียใจยด้วยท่านไม่รู้จักตัวบุญ บนคือความสุขแต่ท่านไม่ชำระใจะให้สะอาดทําใจสกรปรกมีจะอารมณ์เสียอามรมณ์เลวท่านจะพบแต่ความบาปละเดิดร้อนของท่านเองแตาจะแก้กรรมท่านไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวไม่ได้สามีภรรยา ย, ยังนั่งทะเลาะกันแถมพี่น้องก็แย่งสมบัติการอุตมาพูดเรื่องจริงเท่านั้นเรื่องจริงมีมาหลายเรื่องแลวเป็นที่น่าที่ดายมาก นี่แหละพี่น้องที่รักเ อ, อ๋ยมีลูกปลูกฝังลูกไว้ได้ไหมลูกที่มันเสียหา ย, หายหเด็กันไม่มดีไม่ใช่โทษเด็กพ่อแม่ไม่ดีถูกต้องตามกฎแห่งกรรมบางคนเนี่ยสร้างเวงกรรมให้ลูกพ่อก็ฉุยแชกแตกลาเจอผู้หญิงยิงเรือเป็นในในในในเรือโทบวที่วันนี้สอง0หารอยบอกยานะขอบินธบาต ผมไม่เชื่อบุญบาปเอาไล้วจดไว้ไม่มีลูกสาวมันก็เลยไปลูกสาวชามคนเป็นโสเพนีหมดนี่นพันเอกพิเศษนี่ขอแย้งให้ฟังสั้นๆเท่านั้นบางคนไม่อาจจะไปสวนีผ่านแต่น่าจะแก้กรรมเก่าที่ท่านํามาท่านจดไว้ทุกขอดูลงไปทำปู่ยีปู่ยามจิตายลามโมกโสกบบกท่านจะฝากเวงกรรมไว้ให้กับลูกของท่านท่านตายจากโรคไปยังทาให้ลูกเดือดร้อนในโลกมนุษย์อีก อาจาย์ไปสวรรค์ได้งไงท่านก็ต้องลงนรกไปจิตใจมันเดือดร้อนจิตใจเดือดร้อนไม่พองใสเป็นได้ยังไงแต่มาสอนเด็กบุญชลาได้ผลกว่าเด็กเล็กๆได้ผลดีบอกหนูสวดมนต์ไหว้พระนะลูกนะไปลา ม, มาไหว้นี่คือศีลไหว้พ่อแม่สามโหนคอยไปโรป ง, งเรียนไปถึงโรงเรียนไหว้ครูขอฝากไปสอนลูกเนี่ย แต่ท่านจะสอนได้ยังไงจะมาบังคับท่านไม่ได้เพราะแล้วแต่กรรมของท่านกรรมดีก็สอนลูกได้ดีกรรมชั่วก็สอนลูกได้ชั่วออกมาในบัดนี้ชัดเจนนะไม่ใช่อื่นใดไม่ใครใค ร, ใค ร, ใ, ครใครทําให้แต่บนบานศาลกล่าวพระเจ้าในบนฟ้าก็ไม่ช่วยท่านได้แต่บนกระผีจีพระกับพระหัตถามาช่วยเห้ีผีมาช่วยก็คงช่วยท่านไม่ได้นะจุดมุ่งหมายอันนั้นก็ได้แก่ท่านช่วยตัวท่านเอง าตายตนูนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนได้แต่รัตะนาตายยืดเป็นแนวทางที่ต้องเดินทางไปคือพระพุทธเจ้ามาว่าในใจนี่คือกรรมฐานก็มีปัญญาคุณมีพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณแต่ท่านจเจริญกรรมฐานท่านจะมีปัญญาก่อนปัญญาเกิดประเสริฐที่สุดปัญญาก็ได้แต่สามทางที่ท่านทาอยู่นี้ ศรัทธาทมให้หยิกแล้วก็สนใจทำโจทัวข้อไว้ทบทวนอารมณ์ปฏิบัติทันทีเกิดปัญญาในทางนี้แล้วก็คิดก็แนยกับสติทัมปชัญชาญะกําหนดจิตโกรธหนอเสียใจหนอเป็นต้นเสียงหนอเห็นหนอเคยช่านกำหนด ม, มั้ยเปล่านี่ท่านจะไม่ได้อะไรเนี่ยต้องฝึกต้องหัดต้องดัดปลือออกไปอย่างนี้ท่านจะถือนิสัยเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ออกมาในรูปแบบนี้ท่านจะได้ใช่ความดีแผ่ให้กับลูกท่านถ้าท่านมีลูกดีทุกคนเนี่ยถ้าท่านต้องการให้ลูกท่านเสียก็ไม่ว่ากันอาตมาเอาของดีให้ไม่จะเอาของชั่วให้ท่านหรอกแต่ท่านจะไกลกลองโยนิโสดูบ้างว่าผิดถูกประการใดไม่จะเอาของชั่วให้เลยนัเนี่ยต้องการของดีให้จะท่านดีไม่ได้ก็แล้วไปคนดีต้องเอาของดีไปไอ้คนชั่วมันชอบเก็บของชั่วไป จิตใจเร็วมันก็เอาของเร็วไปจิตใจดีก็เอาของดีไปนี่อยู่ตรงนี้คืออารมณ์อารมณ์คือระกรรมาฐานนี่แหลปัญญาคิดมีสติปัญญาแล้วรือก่อนเสมอคือต้องคิดก่อนถึงจะเกิดปัญญาถ้าขาดความคิดอันนี้เนะี้ยปัญญาท่านจะไม่เกิดแต่จะได้ปัญญาตรงไหนก็ยังสู้ภาวนามยไปัญญาไม่ได้ภาวนาทําให้เกิดผุดในดวงใจสายสะอาดทําให้จิตใจผ่องใส จิตใจท่านดีแล้วท่านจะเกิดผลจะรู้ ก, กดแห่งกรรมตรงนี้ว่าใจมันใสไหมใจสะอาดอารมณ์ดีไหมท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาทุกคนตั้งแต่เช้ามาถึงนี้อารมณ์ท่านคงที่คงวาคงตรอกไหมนี่ตรงนี้น่าจะตั้งสติยัดขอบไปโดยการกาหนดจิตพนนุ่งทามหนาที่ลิ้นปี่บางคนไม่เอาเอาจจะเดินจุกกรมกับนั่งแถมเดินจกกรมไม่ได้อีกนั่งพองหนอยุบหนอไม่ได้อีก ยืนหนอห้าครั้งยังทําไม่ได้แล้วท่านจะไปจุงไหนละ่ะแต่จะได้อะไรจริงเป็นประโยชน์กับชวิทุกท่านจะไม่มีเลยเอามั น, นี่มาพูดอย่างให้ท่านเขาา้าใจเพราะมาใหม่ก็เยอะแยะอาจจะไม่เขาา้าใจพูดโทรมาบ้างอลาหังมาบ้างเลยจับจุดไม่ได้การเจริญสติปัฏฐานสีทางสายเอกของพระพุทธเจา้านี่หนึ่งระบิดชาตดบาจริงสองรู้ ก, กฎกติกา ม, มั้ย ว่าเรามีเวงกรรมอะไรจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะได้ใช้นี่เวงกรรมไปเสียให้หมดไปอย่าไปสร้างเวงกรรมต่อไปเลยเวงชนะโดยการมอย่าจองเวงกันกรรมชนะโดยการสร้างกรรมดีแก้กลับลายกายดีจะได้มีกรรมดีร่วมกันทําศัตรูให้เป็นมิจฉาคือศัตรูตรงไหนคือศัตรูในใจของท่านที่มันอยากพายในใจของท่าน ทางกระทํากรร ม, รมาฐานศัตรูที่อยู่ในใจของท่านกลับลายกลายเป็นมิตรสร้างสนิทหัวใจคือเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงต่อไปความคิดต่ําๆเหลวแหลกแตกล้างคงจะไม่คิดอย่างนั้นต่อไปนี่ตรงนี้นะคิดหนอท่านทั้งหลายเคยกําหนดไนะ้ยคิดไม่ออกมันจะบอกได้เอาลูกจะไปสอบอะไรก็สอบลูกหนูคิดหนอที่ลิ้นปี่ เดี๋ยวมันจะคิดออกตอบลงไปต้องได้ทุกหลายนี่ตรงนี้ของจริงดีกว่าไปสอบตกแล้วหลวงท่านเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้การทำอย่างไรถ้าเป็นลูกเราเป็นอย่างไรคิดคิ ด, คดทุกคนองการให้ลูกดีมีปัญญาทั้งหญิงทั้งชายฉะนั้นอย่าไปสร้างความร้ายเหลือกับลูกเลยต้องสร้างความดีกับลูกทําถูกไว้กับหลานท่านต้องรักให้ถูกวิธีต้องทําความดีให้ลูกดูนี่เป็นเป็นตำลาประกรรมฐาน จะไปสอนไปสวนนี้ผ่านตรงไหนกันแค่ตามๆท่านยังไม่เข้าใจเลยไหนเลยลราจะทําความเข้าใจด้วยความถูกต้องอาจจะหมดโอกาสด้วแล้วหรื อ, รอนี่กรรมฐานนี่สอนง่ายี่จุดแต่มันยากสิทันไม่เด็กกาหนดไม่เด็กสตางค์สตีเลยไม่เอาสตีมาควบคุมจิตเลยเนจะมาพูดซ้ำแต่โยมก็ไม่เข้าใจก็ต้องพูดซ้ำรวจสอบมันตกจะไปพูดสูงไปได้ยังไง ในี่แหละคนโง่ๆชอบเอาจิตวิธีปากพูดบางพูดคุยกันไม่ใจเรื่องเลยราวเรื่องของที่จะคุยไม่คุยคนที่ฉลาดเป็นนักปราดบัณดิตต้องชอบเอาสติวิธีใจกํากหนดจิตกรรมฐานานั่นเนี่ยคือบัณฑิตมีความสูงจะมารยาสวยงามหน้าลากักษณะทัศนาชมเป็นการสร้างโกฏิให้แก่ตัวเองไม่เดี๋ไปทําบุญนอกตัวนอกใจเอาเงินไปทําบุญวัดนวนวันนี้แต่บุญให้แก่ตัวเองไม่ได้ทํา การเจริญกรรมาฐานหลวงพ่อท่านมีเวลาวันเดียวแต่อีกหลายวันนั้นเป็นการสร้างความไม่ดีหายยะนาในบ้านท่านทั้งหลายมาที่นี่ขอให้สงบจิตจริงๆนะแต่จะพบของจริงในวัดวัดปฏิบัติวัดถูกทรรมท่านจะมีธรรมะวัตถุสะอาดในบ้านของท่านแต่จะวัดอารมณ์อารมดีไหมวัดรู้มังเช หายใจเข้าหายใจออกกําหนดจิตพองหนอยุบหนออย่างนั้นแล้วก็วัดจิตวัดใจวัดหนอกวัดนแต่ช่างเคยมาดูแต่ชูขึ้นมาช่างทํามั้งหรือเปล่าเปล่าระวังท่านจะไม่รู้อะไรเลยเพราะจิตมันละเอียดอ่อนมากท่านจะรู้ได้ไงมือคลําไม่ได้คือเป็นธรรมชาติตอนคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นลนานมือเทพประดิษเสียงถ้าจะเอามือคลําไหนจิตไม่ใช่หัวใจต่อผิดกันทั้งนั้นสามบอกว่าจิตอยู่ไหนอยู่ที่หัวใจหมด อันนี้มันทําหน้าที่สูบชีวิตไปเรื่องร่างกายชงนั้นแต่จีนันเป็นธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่ามันตัวตนคืออารมณ์ข้องโยมนั่นเองเหบอนกระแสไฟฟ้าเปิดสวิตช์มันก็สว่างแต่หลอดมันขาดหูมันหนวกตามันบอดมันหลอดไฟฟ้าขาดไฟเข้าไม่ได้แถมลื่นไปเอามาพาตอีกแล้วไฟเข้าได้เนาะลื้นมันเสียไปแล้วร่างกายไปอามาพาตนอนเท่งทึงเนาะไฟฟ้าเข้าได้เลยลุกไม่ได้ ตายไปแถบเนี่ยแบบนี้เป็นต้นเราล่างกายดีๆทุกคนอนะ่ะอินซีหน้าที่กายงานยังดีอยู่รีบทำซะไม่ดีดิตอนไปเป็นอมาพาศเนี่ยจะไปทำกรรมฐานได้ไหมบางคนเป็นมะเร็งไม่หวันเมื่อวันคืนจะตายเลยจะมานั่งกรรมฐานบอกมาก่อนเป็นทำไมไม่น่าจนราอายุต้องเจ็ดสิบแล้วไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสนใจจะตายแล้วก็อยากจะให้พระช่วยเป็นไปได้อย่างไรล่ะ ขอฝากคุณหนูเด็กๆคุณเีเ็ยเวลานเนี่ยเราไปค้าขายเนี่ยเรียกโตเป็นใหญ่เป็นแก่แล้วมันต้องเป็นเจ้าของตลาดเพราะค่าขายมานานกว่าครับอให้ครองคุณย่าคุณยายและเขาวัดปฏิบัติรับรองท่านจะเท่งถึ ง, ถงป้าก็ไม่ค่อยเห็นหูก็ไม่เคยยินทำมาเขาก็ไม่ได้ท่านจะทําอะไรได้ขอฝากไว้ไปวัดบอกกระซิบเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวร อ, อยมอ น, นอนหลงเล่นไม่เป็นการ ายสามของปองเผาเสมอเยเล่เล่เลทำกวนทำรกรรมฐานฐานน้นเกิดมาชีวิตต้องดับคือตายใกล้ตายมีญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระอรหังโลยากที่สุดคุณบพุทธังเพราะกําลังเวทนาทุ ก, กลาเอวยี่ยแค่เวทนาเนี่ยทนไม่ได้หละบางคนกําหนดให้มันหายมันไม่หายแล้วจะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นปวดเพราะอะไรแล้วก็ทาได้จะรู้ว่าเวก ร, รมตามสนองตรงนี้ไม่เอา ก็โยมจะได้อะไรเลิกไม่ใช่มานั่งก็มาถามสบายนะอย่าลืมว่าความดีต้องทายากความเลวร้วายความชั่วทำง่ายโยมชอบง่ายก็ต้องการอยากความชั่วใช่ไหมขอฝากไว้คนที่สร้างความดีฟังให้ดีชอบลงทุนความลำบากคนไอ้ชอบสร้างความชั่วเนะี่ยมันชอบลงทุนความสบายหมายหัวปู น, ปนหมายหัวเลย กินสบายนอนสบายพ่อแหม่เอาไหนในกําลังความชั่วเกิดในครอบครวัวตัวแ้กตรงนี้คิดหน่อยได้ไหมคนที่สร้างความดีนี่ยชอบลงทุนความลำบากได้เลยลำบากยากยังไงก็สู้ทนนี่คนดีไอ้คน ช, ชั่วเนี่ยมันชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายพ่อแหม่เอางานนี่คนอย่างนี้เอาปูนหมายหัวไว้เลยรับรองดีไม่ได้เดี๋ยวตลอดเทิร์นซิงทั้งตายดีไม่ได้รวยไม่ได้ด้วยขอฝากท่านผู้เป็นดิดคิดได้แหละ ท่านคิดได้หรือไม่คิดไม่ได้ก็ช่วยท่านไม่ได้ตถาคตเพียงบอกแนวทางปฏิบัติไม่สามารถจับมือถือแขนให้ไปทางดีได้ถ้าท่านไม่เอาท่านก็ไปเรื่องกรรมขงท่านแหละไม่ใช่มาบวชชีพรามอย่าตามวัดพระเทพก็ไม่พักเดี๋ยวอัลลฮังเดี๋ยวพุโทโธติด ก, กันเทศไม่พักต้องการตามคําสอนผู้เจ้ากินน้อยนอนน้อยพูดให้น้อยทําความเพียรให้มากได้ผล ท่านตองการบอกโอ้ยมัมากไปต้องความเพียรไม่ได้ท่านกําลังชั่วเลยกําลังชั่วแ ล, ล้วละนะท่านจะเอาตัวไม่หลอดนะครอบครัวท่านจะเท่งถึงลูกท่านจะเอาดีไม่ได้ขอฝากไว้พระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นจกักรพรรดินะเป็นลูกของพระราชพระเจ้าถู ก, ถ, กถูกชนะเป็นซึ่งจกักรพรรดิเงินทองหลายร้อยหลายพ ร, รันพังท่านยังเสด็จออกบรรพชาไปหาวิชาแก้ปัญหาเอามาสอนลูกสอนเมียเอาไปโปรดพุทธมารดา เดี๋ยวนี้ก็โปรดพุทธมารดาบนดาวดึงเดียวออกพรรษาตอกบาทเทโวโลหณโสตเสด็จลงจากดาวดึงถ้าทางแม่ของท่านเนี่ยประมารดาเป็นชายเทพบุตทท่านยังตามไปโปรดเลยแ้่เราเป็นใครเป็นแค่ไหนยังไม่รู้จากมารดาตายไปแล้วไปเป็นชายท่านยังตามไปนะตามไปโปรดพุทธมารดาเรียกว่าพระเอาไรทกรรมฐานนี่เรียกว่าโปรดมารดา ถ้าใครทำได้นะใช่ข้าวปอน้ำนมแม่ได้ดีที่สุดแม่กำลังตกจะโลกหนีหายโลกนี่นบะเนื้อนี่ผูกคอตายมาเผาที่นี่ทำบุญให้ไม่ได้เลยแม่ก็ไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติแม่ครับช่วยนางกรรมาฐานพรมทีทำบุญอย่างอื่นไม่ได้นี่พยานหลักฐานอาบ้า ต, ตายและตองนางจะเลยกรรมาฐานให้ลูกคนนั้นเึงจะได้บุญกุศลตอบแทน มันทรงลงบาปมากเมือนคนที่มีมีทุกข์มากหรือคนติดคุกตารางที่ห้ามเยี่ยมกระทำคือมีโทษหนักค่าตัวตายยีโทษหนักแต่นั่งกระวาสานให้ได้เลยเนยที่นี่เป็นตัวอย่างเยอะแต่ไม่เอามันนั่งจินกิม จ, ม, จ ม, มันจะได้อะไรบางทีโยมครอลายหมอดูเขาบอกจะตายภายในสามเดือน บอสวดพุทธคุณเท่ายู้สิเอามากาโอ้ยอ่าแล้วยาวหลวงพ่อไม่สวดตามใจนะแค่สิบนาทีสวดไม่ได้แต่ไปนั่งแบะไปนั่งนินทาการไปนั่งร้านกาแฟไปนั่งคุยกันยาวลุ้ัดสรุปใจความไม่ฟังว่าคนสร้างความดีน้อยคว้าความชั่วมากกว่าแค่สวดพุทธคุณนี่ยังไม่เอาแหละแล้วโยมจะเอาอะไรอันนี้พูดให้คิดนะไม่ใช่ให้เชื่อไปสวด น, นะ ไม่ชวนไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ง้อถ้าพูดอย่างคาหยาบนี่เราให้ฟังจะเอาหรือไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่ได้แขกเขาก็ทํากันได้มาแล้วมีตัวอย่างนี่ฝรั่งสวดกันเยอะเนี่ยที่ประเทศรอนดอนอังกฤษเดี๋ยวนี้สวดซื้อลานคาเต็มหมดแล้วนี่ฝรั่งกินอาหารกันเต็มหมดนี่ไม่เอาผัวเมียขายข้าวแกงทะเลาะ ก, กันทุกวันนี่หรือธรรมะหรือบุญบุญหรือบาป ขอถามโยอมด้วยความจริงใจยอมรับมั้งไหมไอ้ทะเลาะ ก, กันบาปหรือบุญโยมก็ต้องว่าเป็นบุญสิชอบทะเลาะ ก, กันเป็นบุญที่สุดนะไปกลับไปทะเลาะ ก, กันตอ่อไปแล้วพี่น้องพยายามแย่งกันสมบัตกันให้ไดน้นี่เป็นบุญเสียใจด้วยเวลามีน่าจะแบ่งไปกินแบ่งกัชายพี่น้องกันแช่แช่นาะขอฝากนักกรรมฐานม า, ามนด้วยแบ่งกินชายเดี๋ยวก็ตาจากกันแล้วจะกินได้ไหม อันนี้ห้องกูนี่ห้องกูกรรมเขาไว้เวลาตายจะแบ้มือทุกรายไม่เฉยเอาบ้านเอาที่นาไปที่โกงเา้าเอาไปไม่ได้เดี๋ยวจะแย่งเขาเลยเนสะียใจจริเนี่ยเกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้ไหนจะจากโลกไปทั้งทีก็เอาดีไปไม่ได้ต้องฝากความบาปไว้กับลูกแถมเอาบาปติดหัวใจไปเลวร้วายลงนรกเปรตสุรกาชัตดเดชานไปตกระกรมระบาศในนาคตต่อไปออกมาในรูปแบบนี้ชัด เนี่ยตมาสอนเด็กนี่วันนี้โทรมาล่านหมดร้องพ่อหนูนั่งกรรมฐ า, านที่ทางอเมริกานี่โทรมาจากอเมริกานะบอกหนูได้ประโยชน์และสอบปัญญาเอกได้แล้วผานะล่าแล้วนี่ที่ลูกสาวไม่ใช่ไปนั่งกันบ่อยแสบแบบแสบาลูกสาวเอลูกชายจะมาไม่ใช่อย่างที่ท่านโยมกล่าวต้องเป็นลูกชายต้องจริงเป็นหญิงต้องแท้เป็นคนแก่ที่น่าบูชา ชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นคุณแก่ไม่มีใครบูชาหรอกหน้าบัตรสีในอนาคตหน้าปลารธรรมหรือเปล่าขอฝากท่านทั้งหลายไปคิดอีกวันด้วยนี่วันนี้ว่างไหมนี่เด็กพรุ่งนี้ปิดอนุสานาจารย์เข้าใหสามสิบบัรจุไมเข้ามาที่นี่แล้วก็พุท ธ, ธสมาคมแห่งประเทศไทยเข้ามาสองร้อยกว่าพรุ่งนี้มาลือนี่โรงเรียนพัฒนามาอา้า โรงเรียนมนัตพิทยาคารติดผงขาวเราแหงอันดับหนึ่งชนบุรีอันดับสองกรุงเทพเข้าที่นี่สองร้อยสี่สิบคนถ้าญาติโยมก็ยังอยู่นี่อีกไปอยู่ไหนมากมายแต่อ่เหอร์ร้อยละหนึ่งที่ชาเชื่ออจตมาอตมาจะแผ้ไม่ตาให้ทาไม่เชื่ออจตมาเหมือนอตมาส่งกรมประชาชมพัผ่านวิทยุโยมไปเปิดยานเกา็ดมันไม่เข้ากันหรอกตมาส่งทีวีช่องห้าโยมพาไปเปิดช่องยี่สิบ ไม่มีทางเข้าได้นะนี่ขอฝากนี่พู้จะมีเขาเข้าใจไหมพอเข้าใจนะโอซาวให้ดีโยมโยมปากไปเปิด TV ไอ้ทีวีไลายๆแล้วเอาของไม่ดีเข้าบ้านทุกวันของไม่ดีเข้าบ้านแล้วส่งของดีไปมันก็เลยบ้านโยมไปตมาพูดรากมานี่ที่กรุงปารีสโทมายามะหวานตมาก่อนจะไปยุโรปห้า เจ็ดวันแผ่เมตาเอาของดีส่งไปยุโรปห้าประเทศไปเข้าบ้านยวนเลยลูกสาวยวนว่าเราหลวงพ่อไปสอนให้เขานี่อายุเด็ ก, กอายุสิบหกสาสามบัตรนี้โทรมาเนี่ยบอกหลวงพ่อครฮ ะ, เ, ะเขาก็แปลเป็นภาษาไทยเขาพูดภาษาฝรั่งเศสบัตรนี้ดีเนี่ยเขานอนนี่ได้เขานี่ได้พ่อแม่ก็อยู่เป็นศขคือลูกสาวของเา้าทำให้พ่อแม่มีความสุขได้นี่กรรมาฐานต่อตา ม, มาไปแล้วก็เริ่มให้ โอกาสเขาเพียงช่องเดียวเขาได้หมดเลยกายานุปัสนาเพราะว่านะ่ะเพราะเราไปบอกก่อนในทางฝันเรียกว่าโทเลจิตนี่แหละแพแ้เมตตาอย่างนั่งกลับมาถานถึงอย่างนี้ถ้าจิตโยงถึงถ้าจิตยมบ้าบอคอแตกเดี๋ยวฟุ้งฟานะแพ้ไม่ออกจำข้อนี้ไวส้สิสวดมนต์เป็นนิดอาธิฐานจิตเป็นประจำแปลว่าจับงานอย่าทิ้งงานและหน้าที่ อโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตารับรองได้ผลเด้๋ยดิอโสิกรรมไม่ได้อย่าโกรธเขาอยู่ก็ยังผูกพยาบาทก็อยู่ไม่เอาไหนเลยเป็นไปไม่ได้เนี่ยไปไม่รอดตรงนี้จําไว้ด้วยแต่โยมไม่จําไม่เป็นไรถ้าไม่เอาไม่เป็นไรนะมันใช้ได้ผลเลยร้อยเปอร์เซ็นแต่โยมไปใช้อะไรก็ไม่ทราบอาตมาช่วยโยมไม่ได้เลยตั้งใจช่วยเต็มที่แล้วโยมไม่รับเมตตาของอาตมาที่ตั้งใจแผ่ไปโยมจะได้รับหรดิหมดโอกาสแล้วนะ ขอฝากญาติโยมไม่โดยชูหนา ก, กันารตมางานมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ข่าวมาเยอะองค์เ ด, ยเดียวต้องสู้ตีสี่ตีห้าเขานอนกันหมดแล้วยังต้องสูน้นี่สว่างทุกคืนข้าวกระชาไม่ได้ทํำยังไงต้องสู้กันทั้งตาเนี่ยโยมทําได้ไ่ยพระองคไหนทําได้ไห ม, นะงงห ไ, มไม่เอาเห็นกับตัวสร้างความดีไม่ได้เลยเนะไม่ได้ก็แล้วไปไม่บังคับเพราะทุกตัวใครตัวมันทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนที่จะทาดีเนี่ยแสนจะยากมาก ทำชั่วเวลวไา่ทำได้ง่ายมากเพราะมันมักง่ายมักได้คือคนชั่วมันชอบของชั่วก็คือชอบสบายกินสบายนอนสบายการเจริญกรรมฐานไม่ใช่อย่างนั้นต้องการให้รู้สภาพชีวิตรู้ความจริงของชีวิตจึงจะถูกต้องเนีย่ยตามาสอนเด็กเนี่ยสอนง่ายๆไปโรงเรียนว้พ่อแม่ซ้ำโหนฮะวายพ่อแม่มันงก็เปล่าเปล่ายืนพูดกับพ่อแม่เลวนักกรรมฐานต้องอ่อนน้อม จิตใจมีธรรมะมันจะอ่อนน้อมไปหมดเลยจะมีมารยาทสวยน่ารักทั้งหนุ่มสาวดูตรงนี้แต่สวยไม่น่ารักใช่ไหมฉันมาจากกรรมฐานที่สอนเนี่ยกรรมฐานแปลวสาภาพชีวิตกรรมฐานว่ามีสติปัญญากรรมฐานแปลว่าแก้ปัญหากรรมฐานแปลว่าสร้าชีวิตไว้ด้ยวยความเป็นประดิษตกรรมฐานแปลว่าใช้นิกรรมแก้กรรมได้ แต่เรามาสร้างกรรมกันจะกแก้กรรมด้หรือท่นทั้งหลายฟังแลยคิดโดยทุนนากันจะไปประโยชน์สธิทีผลไม่ใช่น้อยการจเจริญกาารรมฐานเนี่ยสามารถจะให้ลูกดด้นี่ขนาดอยู่สหรัฐอเมริกาจะตายเนี่ยนะสอบปริญญาโทไม่ได้ก็กินเหล่าเกิดปอดอักเสบเกิดเชื่อวไฟรัดลงตับในแพทย์ฝรั่งบอกตาอยองอยู่ในห้องอซอย่างนั้น พ่อแม่ก็ไม่ทราบเลย ว, ว่าลูกไม่เห็นมีจดหมายมาจะมาขอถวายสังฆทานมาจากพิษศโล ก, สกโสโคไทยมาไปรู้สิกกรรมฐานที่นี่แต่ก็เลิกไปออกจากวัดไม่ถามเลยเราก็รู้ว่าลูกเขาจะตายคืนวันนี้ตายแน่แน่ก็ลองลองบอกว่าเอาโยมน่ะกรรมฐานเดี๋ยวจะสวดธรรประจากษ์ให้ถวายสังฆทานให้ลูกสารัฐอเมริกาเพทั้งที่เขาไม่รู้ว่าลูกเขาเจ็บหนักอยู่ในห้องอาียุ ดูที่จะฟื้นไหม่อแม่สองคนนะกลับมาถานเยส่วนธรรมจ่าให้จบจบแล้วถวายพระจหารไม่มีเงินเดียวออกให้คืนนั่นฟื้นทันทีแล้วหายที่สอบปริญญาโทมัน่าที่เสียจาจต้องไปกินเหล้าถึงเชื่อไฟรัตลงตรบมันมีตัวอย่างอยู่แต่แล้วก็หายวันให้คืนได้แล้วก็ไปบอกกับผ้าคุชาคณะกรรมการขอร้องให้ผ่านปริญญาโท นี่บุญกุศลนี่จากพ่อแม่นางกรรมาฐานให้ลูกได้ผ่านปิยโทและต่อมียะเอ็ดแหละนี่เห็นไหมชัดไหมเนี่ยนี่เรื่องชีวิตดีเลยนะเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะเจ็บหนักมีลูกชายคนเดียวเท่านั้นบานอยู่โน่นถุโค้ชยห้ไปตอกับพิชโลกนนี่พ่อแม่ช่วยลูกได้อยู่สารด้ริกัลูกก็ช่วยพ่อแม่ได้คนหนึ่งมีสามสาวแต่กระสาวยุมากแลหละ หลวงพ่อคะพอกำลังอยู่ในห้องไอซียูสี่หลหมอบอกว่าไม่เกินภูมิตายแล้วหลวงพ่อพิจารนายัางไงแผ่ไม่ตาให้พอหนูบอกแผ่ไม่ได้หนูช่วยพอได้ไหมม่ศรัทธาก ร, รมาฐานไหมนั่งการรมาฐานไหมม่ศรัทธาไหมทำไมไม่ศรัทธาอยานังเพื่อให้พอของหนูเนี่ยกำลังอยู่ห้องไอซียูดีกว่าหนูจะไปนั่งเฝ้า ทำยังไงคะสามคนพี่น้องน่ะกลัมาฐานเดียร้องพ่อจะให้ผักขาวหนูไม่ได้เตรียมของมาเอามาเลยไม่สต้าฟเปล่าถ้าไม่มีสท้าไม่ต้องนั่งไม่ต้องแค้นด้วยไม่ต้องแค้นเลยนะนี่จาไว้ถ้าโย่ไม่มีสท้าไม่ต้องมานั่งไม่ได้ผลไม่มีสท้าฟไม่มีความพอใจในการสร้างบุญเช่นนี้อย่านั่งไม่ได้ผลนั่งไปก็อย่างนั้นเองเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็นายคนที่ไม่ดีสร้างความดีไม่ได้หรอก คนที่ดีสร้างความดีได้ง่ายขอฝากไว้สันส้นๆให้สันส้นๆให้มากที่สุดเลยก็นั่งสีวันลากลับไปพ่อฟื้นในห้องอไอซียู่แล้วก็พาพ่อมาพ่ออายุแปดสิบสี่นี่ลูกสาวนั่งกรรมฐานน่ะเห็นไหมแล้วจะมาวิ่งกันยังไงอ่ะเอาไงอ่ะเนี้ยนี่โรงเรียนสงวนหญิงเนี่ยมีพยานยไปถามอยู่นี่ได้เด็กอายุสิบสามขวบนั่งกรรมฐานให้แม่หาจะกลงมะเร็งไดน้นูบนสารเนี่ย จะเล่านั่งให้ท่อแม่เป็นยังไงถ้าเราเป็นกุลบุตร์ทิดาสาวแท่แก่ไม่มาอย่างไรขนาดผัวเจ้าชู้ผัวเล่นการพนันเป็นหนี้สินไม่พักภรรยาที่ดีก็ดันกรรมฐ า, านแผ่เมตตาสามีความดีเข้าบานไอช้ช่วเจ้าชู้หายไปอย่าไปตามไอช้ชูวเจ้าชู้เข้ามาอีกตรงนี้ไม่ไม่แก่กละไปแก่อย่างไงมาวานมาถามเนี่ยนี่นจะจำกรับบ้านหรื อ, อยังน้งองพ่อคะ ช่วยหน่อยฮะผัวฉันไม่เอาไหนเลยเล่นการพนันเจ้าชู้ด้วยตึกก็เป็นของเขาแล้วเอาอย่างไรแกยังไงแกเดือดไปหาหมอทำางั้เหรียยมจะเสียใจต่อภายหลายไปสร้างเวรรมต่อไปท่ไมขี้ตามเดี๋ยวการพนันเข้าบ้านก็โยมก็ปรงให้ตกก็สวดมนต์ไหว้พระ น, นั่งกรรมฐ า, านโอโหสิกรรมกับสามีซะแล้วก็แพ้เมตตาสามีเจ้าชู้ทิ้งนอกบาน เล่นการพนันทิ้งหลอกบาทแล้วจะกลับเข้าบ้านสร้างความดีกับภรรยาต่อไปนี่คือสามีตรงนี้ไม่เอาไม่ทำพาไปหึงการไปดา่าการไปทะเลาะกันเนี่ยใจบาปคนไทยปากเป็นบุญใจเป็นบาปมาทําบุญสวยียนสังฆทานจะกลับไปทะเลาะกับผัวไอ้ผัวก็ไม่เอาไหนต่างคนต่างใจบาปด้วยการดูด้วยการด้วยความทุกข์ดูด้วยความนรกทั้งเป็นออกมาอย่างนี้ไนงะ โยมโปรดพิจารณาด้วยเถิดต้องการมีความสุขไหมสามีภรรยาต้องเป็นอยากต้องการได้คู่ทราบคู่สมม่หรือเปล่าเปล่าต้องอยากแล้วได้คู่วิวาททะเลาะ ก, กันต่อไปเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หรือเกินถ้าโยมตั้งแผ่เมตตาตามที่จะมาสอนรับรองได้ผลน่นเนี่ยได้ผลน่นแน่ไม่ได้ผลตอนที่โยมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ศรัทธามาทําแลกเปลี่ยนของดีเอามาเอาบุญแลกบุญ เหมือนพ่อพ้าพาณิชย์ค้าขายต้องการได้ชุนได้กำไรอย่างนั้นอย่างนี้มันคุณลี้ยางเราต้องสร้างบุญจริงๆให้มีบุญวาชนาแล้วจะเอาบุญวาชนาไปแผ่เมตตาออกไปสามีดีเนี่ยเนี่ยครอบครัวก็ดีด้วยบางทีพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันกินเล่าเราเตะแม่แม่ก็ด่าพ่อนี่เด็กนักเรียนบอกหนูหน้กนากรรมฐานอย่าไปสอนพ่อนะอย่าไปสอนแม่ไม่ได้ อย่าไปว่าพ่อวางแม่จะเข้าข้างพ่อก็ไม่ได้เข้าข้างแม่ก็ไม่ได้หนูนั่งกรรมาฐานแผ่ไม่ตาคุณพ่อคุณแม่หนูสามพี่น้องเอาเลยบัดนี้พ่อแม่เลิกทะเลาะกอันนล้นี่พราะลูกทําให้พ่อแม่เห็นไม่ชัดกตโยมทําได้ยังไงไม่ทราบนะอย่ามาสร้างบาปติดต่อไปเรามาสร้างบุญก็ต้องละบาปมาสร้างความดีต้องละความชั่วได้้าถ้าละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้เนี่ยเนี่ยไม่ต้องไปให้พระที่ไหนช่วย ต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ขนาดพ่อแม่ป่วยลูกช่วยทําได้คนาดลูกป่วยอยู่สหรัฐอเมริกาเชื่อไฟรัตลงตบับต้องตายคืนนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้เราก็ไปบอกตรงถ้าบอกพ่อแม่ก็ไม่มีกระจายทําบุญให้ลูกนั่งเจริญกรรมาฐานแผ่เมตตาให้ลูกลูกฟื้นได้บัดนี้ตอบยาเอกจะจบแล้วเอาของจริงหรือของปลอมเรื่องเอาที่พูดนี้แต่เอาของปลอมเอาไปนะ บางคนนี่ชอบบุญง่ายๆมากง่ายมากได้เป็นบุญได้ยังไงคนไทยปากเป็นบุญใจเป็นบาป ก, กลับไปนางทะเลาะกันผัวเมียไปนางทะเลาะกันไปทำบุญมอาอยากใจบาปถ้าบุญนอกบุญในดีนอกดีใ น, นจิตใจเป็นบุญคือกรรมฐานอย่างเดียวกรรมฐานจิตมันใจมันเป็นบุญใจมันมีความสุขปากพูดออกไปก็เพราะพิงอ่อยตานหวานหรืออย่างสิ่งสาคลมปากหวานหูไม่ดูหาย พูดเป็นเงินเป็นทองเงินไหลนองทองไหลมารวยทุกคนถ้าจิตงามจิตงามร่างกายก็สวยกลับไปรวยทุกคนไม่ชอบตามใจชอบจนก็ชอบต่อไปอับเฉาอับจนทำไมิึงจนครับมันอับเฉาอับจนก็มันไม่มีมันจิงจนทำไมไม่มีเพราะมันเดี๋ยวทำ ทำไมไม่เด็ดทำเพราะมันขี้เกียจไอ้คนใจบาปเนี่ยชอบขี้เกียจไอ้คนใจบุญน่ะชอบขยันคนมีคุณทำขยันไม่พักมาอยากลับหลักนอนต้องทำงานให้เสร็จไม่มีเดียวนี่คนมีธรรมะคนมีธรรมะไม่เสร็จไม่นอนไม่เสร็จไม่กินข้าวนี่คนมีธรรมะเดี๋ยวนี่มีจะทําแมะใช่ไหมแล้วแม่ที่โน่นแม่ที่นี่โอโอปากเป็นบุญจ้าโอ้เห็นพระว่ายุ้รา ทุกาทุกแต่ใจเป็นบาปเพราะจิตใจไม่มีกำหนดรรมาฐานจิตบาปมันคิดไม่ดีกับเขาแล้วก็โลภโงโทโสอะไรทำนองนี้เป็นตน้นนี่หน้าที่นายนะขอฝา่ยายใจโยมไว้เนี่ยตั้มานี่กลับจะยู่หโลกไม่เคยได้พักไม่สบายก็ต้องสู้จนกว่าจะลมหมดไปแล้วมีใคร่มนมีจะนอนกันทำอะไรนะเปล่า นอนให้สบายกินให้สบายไม่ต้องเอางานเอาการชีวิตคือ ง, งานบรรดาศสต้งทำงานให้สนุกมีความสุขในการทำงานงานกรรมฐานงานเดินกรรมฐานเดินงานเดิ น, งนเนงินตามมาเงินหลนองทองไหลมางานไม่เดินเงินไม่ตามขาดไม่เติมเกินไม่ตัดไม่ประหยัดเวลาเสียใจด้วย เวลามันล่วงไปแม่น้ำละวาลีไหลผ่านนาทีไม่มีวันกลับมาเสียใจกับหนูน้อยเสียใจมากชีวิต ก, ก็หมดไปเรียกคืนไม่ได้จกักแดลงไปทุกวันสา ว, าวจริงไหมคะไม่จริงหลอกลวงนมจริงไหมเดี๋ยวมันก็แก่เดแล้วฉันเป็นสาวแต่ฉันสวยสวยอย่างหลาขอถามที่หน้าตาสวยมันเทวดามันนางเอกพระเอกในห น, นังตอนี้ใสเป็นอย่างไร เขาดูที่นิสยัยดูที่แบบอย่างเดินมาแล้วเรียบร้อยไหมเนีย่ยตามีทรัพย์ไม่หูมีทรัพย์ไหมมีมารยาทไหมเขาดูตรงนี้เขาไม่ดูว่ารูปร่างสวยนะแอบหน้าแอบหลังกันยังไงเหรนีน่แถมมาตูดชนกันเนีจ่จับบะจับบะจับบะเสียใจยด้วยมีมารยาทไหมเป็นชาติพูดีไหมมีศีลธรรมหรือเปล่ารูปสวยไหมรวยทรัพย์ไหมมีมารยาทไหมเป็นชาติพูดีมีศีลธรรมหรือเปล่าค่ะไม่มีค่ะชั้นเป็นลูกเศรษฐีมีโรงสีด้วย อันนี้ไอ้ลูกหลงสีอ่ะไอ้ลูกหลงร่วมแข็งรวยมากมายแทนนอนไปมีผัวเข้าให้พ่อผัวชงกาแฟให้กินให้แม่ผัวหุงข้าวมีตัวอย่างในกรุงเทพอย่าบอกชื่อมาที่นี่เสมอต้องหุงข้าวให้ลูกสะพายกินเพราะลูกสะพายเศรษฐีขอฝากไว้ทุกคนเรื่องจริงที่วันนี้ไม่ใช่พูดลามปาไม่มีเหตุผล น, นะมีตัวหลักมียืนยนันมีพ ย, ยานหลักฐาน เลี้ยงลูกให้รวยช่วยเก่งถ้าใครท่านมีกรรมาฐานจะลูกรวยช่วยเก่งไม่ใช่เก่งไปด่าไปหาเรื่องแล้วใครเก่งงานเก่งวิชาการมีหลักฐานทําอะไรก็มีเหตุผลเถเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนนิสยัยแปลว่าแบบอย่างมีลูกให้มีนิสัยดีมีแบบอย่างที่จะมองเห็นได้ชัดดังต่อไปก็ฝากไว้มีปัญหาอย่างกล่าวมาอันนี้ก็ข อ, อนมูนาด้วยวันนี้ก็เป็นเวลาดึกกลับไปแล้วขอให้แก่ปัญหาตรงไหน แกเปล่าเลยเกลับไปแล้วเลิกเลยกรรมฐานต้องทำทุกวินาทีจะเขียนหนังสือกำหนดอนตาตมาเขียนหนังสือทำไมช่วยเด็กโดดโงพยาบาลในทันอ่ะไอเด็กมันลดลดความที่บาปมาทำไมช่วยทันนั่นเนี่ยคือกรรมฐานรู้มั้งหรือเปล่าเสียงหนอตั้งสติไว้เสไม่มีเสียงเขาด่าก็นอนห น, น้าถนนเนี่ยพ า, าหูออกไปออกไปฟังเียงมันแกล้ ระทางที่เสียงมาอยู่ห่างกลายเนี่ยต้นเสือกไหมเสือกไหมคนใจบาปเอาหูออกไปอะมึงว่าไงกูวะมึงว่าไงปูวะก็อยู่ในบ้านถ้ดีๆไม่ได้แล้วราคามันจะได้มากแพงเนี่ยนี่มีเจ้าสาวจงสิบรุรีเขามาขอลานหนึ่งสองลานออกไปเอ๋ยเยอะก็ะดากถ น, นนนี่ตลาดนี่เองเนี่ยเจ้าบ่าวมาในคืนไอ้เพื่อนก็บอกเฮ้ยไอ้หาแฟนมึงมันนั่งทะลเลาะเัาเฮ้ยไม่ใช่ ออกไปดูไอ้กาหันรถกลับเลยกลับบ้านคืนเลยไม่แต่งงานกับคนนี้ราคาสองล้านเหลือสลึงเดียวมานั่งทะเลาะกับเข้ากลงางถนนนี่นางสาวเจ้าสาวสวยไหมเนี่ยหนูสวยไหสวยนะกลับไปแล้วพยายามไปทะเลาะเขาให้ได้มันจะได้มีราคาคนชอบทะเลาะหาเรื่องนี่คนราค า, ราคาดีใช่ไหมราคาดีใช่ไหม เอาคอโมศนาด้วยราคาดีเหลือสลึงเฟื้องราคาสองล้านเหลือสลึงเฟื่องนี่เรื่องจริงที่สิงบุรีต้องพูดกันนะเอายังไงควรจะราคาแพงๆผ่าลดราคาตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาลดราคาหนูลดราคาตัวเองใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเข้ามาลดราคาคนอื่นเขาเพิ่มราคาให้หนูแต่หนูทําตัวเองให้หมดราคาไอ้ราคาข้าวไม่ดีรัฐบาลช่วยเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลช่วย แต่ขอเจริญพรถามอ่ะคนหมดราคาราคาตกใครช่วยหนูใครช่วยคะตัวเองนะคะนึกว่าให้เทวดาช่วยนึกว่ามนบานช้างกล่าวเทวดาช่วยหนูด้วยเทวดาช่วยหนูด้วยแต่ตัวเองไม่ช่วยเทวดาเขาไม่ไม่ช่วยหรอกนี่เหตุผลที่หนาฝาดจะจะเอาอะไรกันฮะเนีย่ยดูที่เป็นเหตุผลที่มีลักษณะการ กลับไปแล้วก็แก้ปัญหาเสียงหนอมั้งไหมเสียงหนอไอหูก็เสียงนั่นเปนอันเดียวก็ผ่าเอาหูไปหาเสียงเสื้อไม่เข้าเรื่องก็อยู่เฉยเฉยซะไม่ได้เลยฮมันจะได้มีราคาเพจถูประการได้นิ่งไว้ก่อนอ๋อเสียงมันด่าด่านี้เราไม่ชอบเอามาเก็บมาในจ่าอย่าบันทึกหลักฐานในเทพเลยให้เสียงกลับไปหาเขาเองคือเสียงหนอเขาจะได้ด่าเราเขาก็ด่าตัวเขาเองเราไม่เป็นบาปเราก็กลาเป็นบุญเขาเป็นบาปที่ด่าครางเดียว อย่าออกไปดาา่า ก, กับเขานะ่นี่การกรรมฐานเขาไม่เด้กองขัดการหาเลียงตรงนี้ทํำไมไม่ทํากันตรงนี้ทํำไมได้หมดโอกาสแล้วขอฝากเขาด้วยเห็นหนอมันยืนมาแล้วเห็นด้วยปัญญานิสัยมันเป็นยังไงยืนหนอนั่นเองก็คือเห็นหนอเราทําไม่ได้ก็สักคนเดียวทําได้ดียจะรู้ว่าคนนี้เห็นหนอหัวไม่มีต้องตายต้องตายทําให้บ่อยๆก็สิทำแล้วเลิกไปเลยแล้วปีหน้าค่อยมาใหม่ค่อยทําสักสองวัน แล้วปีหน้าทานสองวันปีนอนทานอยูวันเดียวโ็โห่ออยู่มาดีกระชั่วมันไม่เท่ากันแล้วปีหน้าค่อยมานะเอาสักวันหนึ่งพอแล้วปีนอนให ม, ม่วันเดี๋ยวไปวันนอนเดียวพูดถอยไปนอนเน้ยนะไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยดูหนังสือหลายเล่มเขาสอบกระเล่มเดียวก็ยังสอบไม่ได้พาไปดูเล่มอื่นต่อไปเล่มหนึ่งยังไม่จบเล่มสองดูอยางเล่มสองดูจะสองายเสือกดูเล่มสามต่อไป นี่ยอย่างนี้ทางนั้นโยมฟังเลยคิดด้วยแก้ปัญหามันไม่ไมยากเลยทำไมไม่แก้เราก็กำหนดยือว่าเราเป็นนี่สินเพราะอะไรหาที่มาให้ได้สติมันจะบอกนี่เป็นนี่เพราะอย่างนี้แล้วก็เขาโกงเราไปอย่างนี้โกงเพราะอะไรเขาโกงถ้าสติเราดีมีปัญญาปัญญามจะเกิดบอกมาชาติก่อนไปโกงมาก่อนโกงมาก่อนเราก็ลด ทิฏิิมณะยอมรับเหตุผลให้เข้าไปเลยเนาะบางคนมาพูดบอกพ่อคะชันโกงโดนโกงมากดีแล้วอนุโมทนากรับปากบุมิบด่าเรวเลยเอออะไรเนี่ยดีแล้วเขาโกงเราดีที่สุดจะด้วยไหมหนูน่าดีกว่าเราไปโกงเข า, ขาเข้าใจไหมเราไปโกงเขามาดีไหมดีแล้วให้เขาโกงเราดีมีเงินให้เขาเขาใช้ ดีกว่าไปเอาเงินเขามาใช้แล้กวก็ามาใช่เขาถูกไหมคะนัน่นอันนี้ไปเป็นลูกสาวหลวงพ่อดา่าจะได้รวยเป็นพันล้านอาใครไป็ลูกสาวหลวงพ่อรวยเป็นพันล้านทุกคนนะใครไม่อยากเป็ลูกสาวไม่เป็นไรเนี่ยดีไม่ดีอไม่ดีไม่เป็นไรหนูดีก็แล้วกันนี่เหตุผลขอฝากไว้แก้ปัญหาไม่ยากเลยถ้ามันคิดอะไรไม่ออกไม่ต้องไปหามอดูได้ไหม ก็เราทํากรรมฐานได้หายใจเสดือถึงอันเนี้ยยาวๆอยู่ในช่วงหรืออยู่ไหนก็ตามแลว้วก็สติไว้ตรงนี้คิดหนอคิดหนอถ้าเรามีสมาธิอยู่เดิมสะสมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แหละคอมพิวเตอร์มันจะเตี๊ยมมาเลยคิดอย่างนี้สิต้องแก้อย่างนี้มันจะบอกอย่างนี้ไปหาโมาดูลถมาถทำได้หรื อ, อยังอ๋อฉันยังไม่ได้แล้วค่ะฉัเพิ่งมาแลว้วก็มาเดี๋ยวเดียวฉันก็จะกลับเลยค่ะ โอ้โหตดยังไม่หายเหม็นนะกลับแล้วหลกตดยังไม่หายเหม็นนะกลับเนี่จะได้อันไรก็ไม่ได้รับงานจุ่งจังงานที่บ้านบุงจังืองานบริษัทก็ยุ่งถ้าเป็นข้าราชการอารสาสมัครเนี่ยวันศุกร์ ข, ขบรับรถมาสินี่เข้ามาก็เยอะวันศุกร์สาวทิศกลับไปทํางานไม่เสียด้วยไม่ใช่มานั่งก็เป็นเดือนนะพอได้ฝึกได้แล้วก็เขียนหนังสือไปด้วยทำงานประสบะการณ์เนี่ยเป็นวิชาการที่ถูกต้อง ประสบะการณ์เนี่ยเป็นวิชาแก้ปัญหาไม่รู้จะพูดไงให้โยงเข้าใจได้เนี่ยพูดจากขยันเข้าใจไหมหนูเข้าใจเยอะจะได้เลิกพูดเหนื่อยไม่รู้จักเข้าใจบางทีหลวงพ่อหลวงพ่อคะช่วยดีฉันด้วยทีเจ้าคะ่ะเรื่องราวเป็นอย่างงั้นเรื่องราวเป็นอย่างนี้เราช่วยแล้วอย่างนี้อย่างงี้อย่างนี้เสร็จอย่างนี้นะ่ะจําได้ไหมจาได้เจ้าคะ่ะ พอลเลิกพูดนะลองพ่อช่วยฉันหน่สิคะเอ๊ะก็บอกแล้วเอี่างนี้ี่มันอย่างนี่สิมั น, น, ม, นมันเจาะแจะมันเจาะแจะรู้จักเจาะแจ่มไหมหนูเจาะแจ่มยังไม่พอเซะแซเซะแซมาจากไหนมาจากเซอซะเซอซามาจากไหนมาจากเซอซาเซอซามาจากไหนมาจากบูสูโดไม่มีเด มีตาไม่มีแววมีความฉลาดขาดความเฉียดใจบอกแล้วนะแกอย่างนี้นะแกอย่างนี้อ่ะจ้าจ้าจาฟ้ฟังเนี่ยฟังเสร็จเดวพอเสร็จเดียวองพ่อช่วยฉันทีจะช่วยยังไงก็บอกแล้วยังจะถามอีกเหรออ๋โหเสียหน้าพระไชยเหลือเกินอ้อย่าบอกแล้วยังจะเอาอะไรไว้เนี่ยเข้าในตำนานหนูฟังหล้วก็เข้าในตาํานาที่เชื่อง่ายสอนอยาก คนเชื่องายสอนยากคนเชื่อยากฟังนะสอนง่ายเนี่ยอย่างยาคนที่ว่าเนี่ยเชื่องงานอะไรจ้าจ้าจ้าถูกแล้วจ้าจ้าจ้าพอจบลงไปหลวงพ่อว่าอะไรฮะนี่ที่สอนยากตรงนี้ตากระทูหูกระทะอย่างไปรักษาทีแม่เทพดีจังหลวงพ่ออ๋อพระองค์ทรงเดชประชมามาช้า ลาประทังประกาศเช้นโตตราทาอาหารปางเมื่อพระเวชชนดรจอมก็ ว, วีเอ็ดลพระเจ้ากรุงชนชัยจะไหลพระเวชชนดร อ, ออกป่าหิมพานสลายออหลวงพ่อเท็ดดี้เท็ดน้อนเท็ดดีเนี่ยนี่นี่นี่ยฟังนะเราก็เท็ดเป็นไงยอมเท็ดเป็นไงวันนี้โอ้เสื่อมหัวใจเลยหลวงพ่อเอ้ย โอ้โหแท่ดีแท่เรื่องอะไรจําไม่ได้เลยจําไม่ได้เลยไม่รู้เทอเรื่องนี่เนี่ยตากระทุกขะเชื่อง่ายสอนยากฟังนะเชื่อง่ายเขา้าวันนะคนนี้ไม่ดีอาซีชุ ง, งอไม่ดีจ้าโยมทวัฒม่ดีจ้าเชื่อเลยคนประเภทนี้สอนยากคนที่เป็นบัณฑิตเชื่อยากสอนง่ายเพราะอะไรคนที่เป็นบัณฑิตเชื่อคนไม่ดัก ต้องสืบสวนต้องสาวหาเหตุแล้วจึงเชื่อเหตุผลทาไมเรียกว่าสอนง่ายต้องยอมรับจำนวนด้วยเหตุผลข้อจะจริงกูหนูเขา้าใจไหมคะน่ะไอคนไม่มีเหตุไม่ีผลเนี่ยเชื่อเชืย อ, อง่ายใครวา ย, วนยคนนี้ไม่ดีเชื่อเนี่ยแต่แค่คืนนาวัดเชื่อเลยแต่แค่ที่ไหนร้านเสือกไปดูเนี่ยมา2วันเนี่ยงัวออกลูก อาตมาเชื่องัวถวายช่มเด็จมาออกลูกในสามตัวแล้วก็ไปบอกเข้าทั้งนั้นบอกงัวออกลูกเป็นช้างวิ่งกันมาเป็นหางเลยอะไรแตงัวเสียวเวลาเปล่าเน่มาจองพวกรามานานักกองฐานจะงวิ่งมาเลยเฮ้ยไปไ ป, ไ ป, ไปอีหมาอีหมาไปเฮ้ยงัวออกลูกเป็นช้างเชื่อเลยก็เชื่อสินึกว่าวิ่งมาหกลมตรงนี้กองเอาน้มามันทายเลยเนีย่อายุไม่มากรอยเจ็ดสิบแปด เอาหลังกันเชื่อชงเดชไปได้เลยบอกงัวออรูุเป็นช้างวิ่งมาดะนี่กรรมฐานที่นี่เลยเฮ้ยเฮยเฮไปไปไป<ๆ>เรื่อยงัวออรุเป็นช้าง <laughs> เลยออกมาตรงนี้ล้มไปแล้วไหนเลยหลวงพอ่อก็นอนอยู่ข้างโบดนี่ไงเรานี่อย่าเชื่อง่ายนะต้องคิดหนอคิดหนอทําไมเชื่อคนง่ายสอนอย่าอย่างนี้หนูเข้าใจไหมคะเอาละขอบคุณมากอุตส่าห์เข้าใจขอบคุณมาก หลวงพ่อคะมาขอบุญชันหน่อยมามาวานเต็มขอบุญหน่อยบุญอะไรอะ่ะช่วงไอ้ขายที่ดินเป็นบุญแล้วค้าขายให้รวยชันหน่อยเอาละอธิมาต้องทําอย่างนี้อย่างนี้จะขายได้อย่างนี้ขายได้ผมน้ำมนให้พรเสร็จะลหลวงพ่อเมื่อไรจะให้พรฉันเออให้ไปต้องนานเดีวจนหมดพุงเนี่ยเนี่ยอะไรก็อย่างเงี้ยนี่มันเชื่อง่ายอย่างเงี้ยนะสอนอยากเยอะคนนี้เนะี หลวงพ่อไม่เป็นไรแค่นเราอีกเอ๊บอกว่าให้แล้วไม่เป็นไรหลวงพ่อถ้าใครขายได้หลวงพ่อต้องได้สตางค์มากฉันจะมาทําบุญอ๋อนี่หลวงพ่อนี่เป็นพระรับจ้างเดี๋รับจ้างขายที่เหี๋ยวนี่ยรับรองคุณขายไม่ได้อะไรก็บอกไปแล้วให้ทําอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อต้องขายได้นะต้องขายได้แน่ๆนะหลวงพ่อไม่ต้องห่วงฉันจะมาทําบุญบ้างเอาถ้าคุณโยมขายไม่ได้ไม่ต้องทําบุญใช่ไหม ใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ต้องทําบุญต่อไปไม่ช่วยขายที่ดินที่วันนี้เยอะจังที่นี่มีไหมจะให้ช่วยขายที่ดินไหมนะ่ะเนี่มาเลยมาจะขายให้เนี่มันจะไปยากอะไรเขาซื้อกันแสนเดียวนะลายละแสนนะก็เราขายได้ละหมื่นเดียวต้องขายได้ <laughs> ขายมันถูกไว้สิอะไรไม่รู้จะขายขายของไม่เป็นยังไง ราคาแสนหนึ่งขายมือนเดียวเนี่ยไม่มีคนซื้อเหรอน้อาสูงอ่ะจะซื้อไหมยมยอมซื้อซื้อสลาไม่จะขายเอาไหมไม่เอามากเกือบสิบบาทต้องไ้ยมีคนซื้อเนี่ยแต่ซื้อไปแล้วอยากเอาไปทิ้งน่ต้องมาคอยขวาดนะถ้าไม่คอยกวาดนะได้ไหมคะได้นี่ลูกสาวใครจะแต่งงานบอก หลวงพ่อจะให้เรือนหอฉลาใหญ่หลังใหญ่ยกให้ฟรีมาเลยมายกฉลาใหญ่ให้เป็นเรือนหอเอาไหมแต่หนูต้องมาดูแลนะดีไหมเอาใครยังไม่แต่งงานบอกแต่งงานหลวงพ่อจะให้เรือนหอโนฉลาใหญ่ก็ต้องมามานกวา่าจะยิ่งหาเจ้าของกวาดอยู่ไม่มีคนกวา่าเนี่อย่างนี้การเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์มากดังที่กล่าวมาแก้ปัญหาชีวิตจะดีมาก อย่าพลาดผิดทำารช้าโผช้าช้าโผช้าจะได้ท่าสมเริ่มงามทำารช้าไว้ไมืสติคิดถ้าทําใจเร็วด่วนได้มิคยดีจิตมันคิดไม่ทันสติมันไม่มีโอกาสมาคิดยมจะเสียใจต่อภายหลังอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนจะจับบ้านชรัรมตาโยมจะผิดหวังจะเสียใจหนชีวิตโปรดจำคํานี้ไว้ไปไหนก็ป่าจะไว้ใจอย่าเบา เรื่องเก่าอย่ามาลือ้อฟฟ้นหรือคนอื่นอย่ามาคิดกิจที่ชอบทำให้เสร็จไปเข้าใจคํากรรมฐานนี้ไหมอนาคตแน่นอนได้อย่างไรอย่าไปคิดมัน่นจับมัน่นคั้นให้มันตายยมจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตคิดว่าเราจะได้เงินคิดต่อไปว่าไม่ได้เราจะได้แก้ไขปัญหาคิดเอาได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้เสียใจแก้ไขปัญหาไม่ได้ตรงนี้้ายมเป็นพ่อค้าแม่ค้า ต้องคิดขาดทุนไว้ทุกประตูลาบลอมโยมจะต้องได้กําไรแม่ไห ม, ม, ม, มนี่กรรมาฐานฟังให้ดีเถียถ้าคิดไอน้นมกระได้นี่กระถ้าขาดทุนโยมจะแก้ไขปัญหาไม่ได้เข้าใจคํานี้ไหมเรียกว่าชีวิตการค้าชีวิตการค้าอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้เลยจะไปอย่างไรจะไปค้าขายอย่างไรเขาชีวิตก่อนยังขาดทุนในชีวิตแล้วไหนเลยจะค้าขายพานิชัยมาได้กําไรเช่นนี้เล้วชีวิตนี้ไม่แน่นอนแล้วขอฝากไว้อะไร พวกนี้เขาจะเงินมาให้นี่อนาคตไม่แน่นอนจับมั่นให้มันตายไม่เด็กเตรียมหาคนที่อื่นไว้พอพวกนี้เข้ามาให้เสียใจไหมเขาไม่มาให้เสียใจไหมตรงนี้ต้องปรองให้มันตกต้องหาทางแก้ไปด้วยคือสติปัญญาคือกรรมฐานนี่เองไม่ใช่จะไปเอาอะไรไม่ใช่มานั่งเฉยๆนะอันนี้ขออนุมโมทนาไว้ก่อนยอมจะกลับไปเอาไปแก้มารสวดโมนติจิปิโสพระควาไม่ยงชินามนชอด สวดพราหุมากาที่ได้าจากสมเด็จพระนูราวุปาตแก้วถวยพรพรพยายวุปพรเพยะเพ ย, ยส์สวนไม่เคยแพ้ทับสวดหน่อยได้ไหมนอ้องสวดชินนาบัญชรชิ น, นาบัญชรสมเด็จโตท่านสวดสำหรับบูชาพระอรหันต์ท่านตอนขั้นปลายโน้ตเราสวดแก้กรรมได้ไหมพอหุมากาเนี่ยเรียกว่าผจญมารเรายังมีมารผจญก็อยู่ขเาขเาฝากฝากว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดคนที่ประเสริฐไม่ยากสร้างความดีต้องมีมารคืออุปสรรค ถ้าไม่มีอุปสรรคเป็นความดีไม่ได้ท่องไว้ถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคแล้วคือความชั่วถ้าเราไปสร้างความชั่วไม่มีใครตาหนิติเตียนแล้วไม่มีอุปสรรคเลยได้ถ้าเราไปสร้างความดีไปค้าขายขายหยิบขายดีมีอุปสรรคสันทีมีคนฉาเลยสร้างความดีต้องมีคนฉาเรียกว่าอุปสรรคเจึงต้องกําหนดติดขัดอยู่ในหัวใจกําหนดรู้หนอรู้เนอ รู้นอเขาอิจฉาแล้วหนอแพ้เมตตาหนออย่าไปตีต่ออิจฉาเขาต่อนี่น่ะการอย่าสร้างเวกกรกรรมเลยจงสร้างศัตรูให้เป็นมิตรเป็นคู่คิดในบ้านของคู่วิวาอย่าเป็นคู่วิวาอย่าสร้างสามีภรรยาให้เป็นศัตรูกันจงสร้างศัตรูให้เป็นมิตรเป็นคู่คิดในบ้านเพื่อนคู่คิดมิตรคู่มาโยมจะเป็นเศรษฐีต่อไป มาสวดมนต์ไว้พระไว้สอนเด็กเด็กเล็กๆนี่มีความหมายมากวันนี้ขออนุมูทนาสารุการเวลาก็จำกัดเขตประเทศไทยเป็นอัจจายิกสมัยแล้วบัดนี้ชีวิตของเราล่วงเลยไปหนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วจะใกล้ยี่สิบสี่นาฬิกาชีวิตก็ลวงโรยและโรยละและโรยลาชีวิตจะมาใหม่ เกิดดับของลูกนามคันห้าเป็นอารมณ์สร้างโอท้นดีกว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเกื้อ d ิจังทุกครั้งอนัตตาไม่มีโอกาสใดที่จะเข้าสู่ภาวะดังที่กล่าวมาขอขออนุโมทนาแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านทั้งหญิงทั้งชายทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งล้านทุกๆท่าน ได้มาเจริญทำซ้า ม, มาปฏิบัติเป็นอริยะธรรมทําให้จิตใจสมายทําให้จิตใจไม่เศร้ามองทําให้จิตปลองดองญาติน้องร่วมกันเรียกว่าญาติธรรมเจอกันก็รักกันเจอกันก็มีเมตตาทํากันไม่มีอาคูชนละกามแต่ประการใดจิตใจก็เบิกบานฮัลตราก็เสริมตำลาท่านเวลา ชื่นจิตชื่นใจวัฒนาสถาพรธรอมลาบุญกุศลแห่งธรรมะไม่ลดละภาวนาย้อนกลับมหาสามทังหายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยถัวนาการจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาพละปาธติพาณตนาสารระสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมขาดปราถนา ด้วยการทุกๆ ท, ท่านณโอกาสบัดนี้เชิญ